อรูบได้ขอปัญหาปากคลอกนั่นแหละซึ่งมีอยู่กับทุกคนว่าโลกหน้ามีไหมเพราะเรื่องโลกหน้ากับพูดไปสู่โลกหน้าโลกหลังอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของทุกคน เขาถามดังนั้นเราก็ได้ตอบก็ถามเขาเมื่อวานนี่มีไหมแล้วเมื่อเช้านี่มีไหมปัจจุบันนับบัต น, นี้มีไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นแล้วคืนวันนี้จะมีไหมถามไปเขาก็ยอมรับว่ามีแล้ววันพรุ่งนี้จะมีไหม มันมาเดือนเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าต่อไปก็มีไหมมันเคยมีมาแล้วเนี่ยมันจําได้มันก็พอเดาไปได้ถึงยังเรื่องยังไม่มาก็ตามก็เอาสิ่งที่จําได้แล้วไปเทียบเคียงกันถ้าเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วแลครั้งหน้าจะต้องเป็นไปตามนี้ดังที่เคยเป็นมาเช่นเมื่อวานนี้ก็มีมาแล้ววันนี้ก็มีมันก็เคยผ่านมาอย่างนี้เป็นลําดับเราจําได้เราไม่ลืมแล้ว ตอนบ่ายตอนค่าตอนกลางคืนตอนถึงปันบั น, บนทุน่นนเช้าเราก็เคยเคยเทียบมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาอย่างนั้นผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรผิดกันก็ยอมรับกันว่ามีนี่ก็คือความหลงเรื่องของตัวเองแค่เรื่องเดียวเท่านั้นมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตโลกหน้ามีไว้คนตายแล้วจะได้เกิดไหมนมันเป็นคู่กัน พอผู้เกิดผู้ตายอยู่นี้ก็คือใครเนี่ยก็คือเรานั่นเองที่เกิดที่ตายอยู่ตลอดมามาโลกนี้ไปโลกหน้าก็คือเราเนี่ยโลกหลังคือโลกผ่านมาแล้วก็คือเราจะเป็นใครถ้าไม่ใช่สัตว์โลกผู้เป็นนักท่องเที่ยวนี้เที่ยวนี้ไม่มีใครเป็นผู้แบกหามปัญหาเหล่านี้เนี่ยโทษแห่งความหลงความจําไม่ได้ มันมาแสดงอยู่กับตัวของเราแต่เรายังจั บ, จบสญญาเหตุที่มันไม่ได้เป็นมาเพราะเหตุไรสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จำไม่ได้ในเรื่องของตัวเลยหมุนตัวเองน่าชราบจะไปทางไหนความหลงตัวเองจริงเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่ไม่ น, อน้อยหลงสิ่งอื่นนั้งค่อยนังชั่วไอหลงตัวเองนี่มันเป็นปัญหาผลมันก็จะท้อนกลับมาหาตัวเองไม่ไปที่อื่น พระพุท ธ, ธเจ้าท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องของตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สําเร็จนอกจากเรื่องจะทําคุณงามความดีเข้ามาเรล่มดับเป็นเครื่องสนับสนุนด้นเข้ามาสู่จิตตะภาวนาเพื่อจะคลี่คลายดูเรื่องของตัวเองเรื่องตัวเองคือเรื่องคืออะไรก็คือเรื่องของใจใจเป็นผู้แสดงก่อเหตุก่อผลอยูตลอดเวลาทั้ง ความสุขความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายชวนมากเป็นอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นความดีถ้าไม่ใช้ความบังคับบัญชาในทางที่ดีมันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาจากความพุ่งซ่านวุ่นวายฮิสายแสบไปในแง่ต่างๆโดยหายนะหาสาระไม่ได้แต่ผลที่โยบุญได้รับนั่นมันเป็นสาระสําคัญอันหนึ่งที่จะให้เราเกิดความกระตุกระเทือนได้ เป็นเรื่องยากเรื่องหนักความหลงตัวเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูตัวเรื่องคือดูดูตัวใจที่แรกยังไม่เข้าใจก็ต้องบอกวิธีเอาอย่างนี้ซะก่อนอท่านสอนให้ภาวนานำทําบทญใดก็ตามมาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อให้จิตตัวหาหลักยึดมาได้วุ่นวายหาแต่หลักแต่เกณฑ์แต่ หาหลักเกณฑ์มาได้กลายเป็นเรื่องความเหลยวไหลไปหมดทั้งวันทั้งคืนดูเดินนั่งนอนตลอดพบตลอดชาัดมีแต่คํามเล้วไหลทั้งๆ ท, ที่สะแสงหาคิดมาวุ่นขุนมัวไปหมดมันไม่มีสาระที่จะยึดท่านจริงสอนให้ยึดสาระทำเช่นให้สอนสอนให้ภาวนาพุทโธหรืออัตติเจาสาโวมาอะไรก็แล้วแต่นี่คือสาระเพื่อจะให้จิต ที่ทรงไปในที่ต่างๆวุ่นไปหมดทั้งวันทั้งคืนนั้นได้เกาะกับอารมณ์นั้นและรวมกระแสะของตักวรวมความสนใจเข้ามาอยู่ในจุดเดียวความรู้ก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดนั้นจุดนั้นจึงเป็นที่รวมแห่งความรู้คือจิตกระแสะของความรู้ทั้งหมดจะรวมตัวเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมที่ บริกรรมหรือภาวนาอยู่ได้อยู่ด้วยความสนใจด้วยความมีสตินั้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบ พ, พอปรากฏจิตเป็นปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเราก็พอทราบได้ว่าความสงบนี้เป็นหลักอันหนึ่งหรือเป็นที่ยึดของจิตอันหนึ่งความที่จิตปรากฏเป็นที่ยึดของตนหรือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมาได้เพราะอะไรนก็เพราะบททุญธรรม เป็นเครื่องเกาะของจิตในเมื่อเราเห็นคุณของสารธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นความสงบเช่นนี้เราในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความพุ่งสร้างวุ่นวายของจิตที่หาหลักยึดมาได้แล้วก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตัวในขณะเดียวกันมีเป็นขั้นหนึ่งที่ท่านสอน รู้เรื่องของจิตในขั้นนี้ก่อนและพยายามทําจิตให้มีความสงบแน่วแน่ลงไปโดยลำดับด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมานี้จเจริญแนวจเจริญแน่จนมีควา ม, มชำ น, นิชำนาญกระทั่งจิตได้รับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความชานาญในการภาวนาเพื่อความสงบจิต พอจิตรวมเป็นตนเป็นตัวเข้ามาปรากฏเป็นความมูเด่นขึ้นมาแล้วนั่นแหละในขณะเดียวกันก็เป็นอันว่ารวมกิเลสเข้ามาสู่จุดเดียวเพื่อเห็นได้ชัดกิเลสที่เป็นไปตามกระแสะของจิตฟุ้งซ่านไปในแง่ต่างๆจนกระทั่งคำหนึงคำนวณไม่ได้นั้น เราไม่สามารถที่จะยึดจะจับตัวของมันได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสแต่เมื่อจิตที่พาให้เป็นกิเลสเพราะอันหนึ่งเป็นเครื่องบังคับจิตนั้นได้แก่กิเลสมันสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตสงบตัวเข้ามากิเลสก็สงบตัวเข้ามาเมื่อจิตเป็นชิ้นเป็นอันเป็นจุดเป็นหมายพอเข้าใจชาต เรื่องของกิเลสก็เข้ามาในสุดก็เข้ามาสู่วงแคบคือในจุดเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณานทางด้านปัญญาที่นี่คลี่คลายดูมัดอันนี้หรือก้อนอันนี้มันไปว่ามันไปสนใจกับอะไรในขณะที่มันไม่สงบมันไปยุ่งกับเรื่องอะไรบ้างน่ะทนี่ ในขณะที่สงบเป็นอย่างนี้ไม่ก่อควรตัวเองขณะที่ไม่สงบไปเกี่ยวข้องกับเบื้องอะไรบ้างมีรูปเสียงคือนวดเป็นต้นมันก็ต้องไปตรงนั้นจิตมันหนักในอารมณ์อะไรนี่เราพอทราบได้เมื่อจิตก็มีความสงบเห็นจิตแสดงตัวเอาไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันใดก็เป็นอันว่าทราบกันที่นี่ร่องลอยของจิตก็พอมองเห็นได้ ก็จิตเคยสงบปลอยความตัวออกไปก็ทราบท่านสึงสอนให้พิจารณาคลี่คลายทั้งสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรให้เห็นอย่างชัดเจน ร, รูปรูปอะไรไปเกี่ยวข้องกับรูปนั้นเพราะเหตุอะไรดูรูปขยายรูปแยกส่วนแบ่งส่วนรูปนั้นให้เห็นชัดเจนตามความจริงของมันเมื่อเราได้แยกแยะ ส่วนรูปจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความเหลีวไหลของจิตที่ระยึดมัน่นถือมั่นสัมพันธ์ต่างๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้หับมุมความจริงไม่ได้เพราะพิจารณานั้นแล้วไม่มีอะไรมีแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ติดเป็นหมาอตถะนี่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นโทษ แห่งความไปสําคัญมันหมายความมยิมั่นถือมั่นของกิจในในขณะนั้นด้วยเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งรูปหรือเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสทั้งอาการของกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยลําดับเช่นเดียวกันจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชดัด ด้วยปัญญาที่พี่คลายอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งภายนอกรู้แจ้งเห็นชัดทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเพราะเหตุนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นนั่นแต่ก่อนไม่ทราบว่ามันเกี่ยวขอ้องเพราะเหตุอะไรทนี้ก็ทราบชัดไปเกี่ยวขอ้องเพราะเหตุนั้นนั้นก็คือเพราะหลงอันนั้นเพราะความสําคัญผิดอย่างนั้นอย่างนั้นทีนีเมื่อพิจารณาตามความจริงเห็นตา ม, ามจริงในสิ่งภายนอกแล้วเราก็ทราบชัดว่าจิตมันไปสําคัญเป็นอย่างนั้นนั้นมันจึงเกิดอุปทานความมั่นถือมั่น ความกความชังขึ้นมาเป็นที่เลสเพิ่มลงไปอีกอ ก, ก็ทราบทั้งความเลวหลาของจิตจิตเมื่อทราบว่าตนเละหลายแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาเพราะจะฝืนปิดไปยึดมั่นถือมั่นก็ปัญญาก็แทงทะลุไปหมดแล้วไปยึดมั่นถือมัน่นหาอะไรก็ได้พิจารณาแล้วทราบชัดแล้วว่าคือสิ่งนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นนี่นี่วิธีคลี่คลายกองปัญหาใหญ่ ที่รวมแล้วเป็นผลกองทุกภาราใจท่านสอนให้ขี่คาอย่างนี้เมื่อลี่คาอย่างนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดไม่ละจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยจิตรู้แล้วจิตปล่อยเองจิตที่ยึดคือจิตไม่รู้เมื่อรู้เต็มเต็มหัวใจแล้วต้องปล่อยเต็มเต็มตัวทีเดียวปล่อยอย่างไม่มีอะไรเสียดาย เข้ามาความกังวลทั้งหลายที่กิดเคยวุ่นวายนั้นมันก็หายไปเองเพราะปัญญาสอดส่องมองทะลุให้เห็นแจ้ง<ๆ>หเห็นชัดไปหมดแล้วก็มไม่สะาดจะไปงมอะไรอีกน่ะปัญหาของหัวใจมันก็แคบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกมันก็หมดไปหมดไปมันก็เข้าทํานองที่เคยเทศนนั่นเองแล้วก็มาคลี่คลายดู ขณะผิดที่แยบออกไปในเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียวกันมันแยบออกไปจากที่ไห น, นพอสติปัญญาทันมันแยบออกขณะนั้นมันก็ดับในขณะนั้นไม่ถึงก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติทันปัญญาทันค่อยตีคอยต้อนค่อยปราบปรามกันอยู่เสมอแล้วขยับเข้าไปตามร่องรอยมันเข้าไป ให้ลูกเล่าหลานเลนของขเกเรตมันออกมาจากไหนอืมตั้งแต่สรรตัตว์ต่างๆมันยังมีพ่อมีแม่และเกเรตนนี่พ่ อ, ม แ, ม แ, พอแม่ของมันคืออะไรมันมาจากไหนปรุงแล้วปุงเล่าคิดแล้วคิดเล่าสําคัญมันหมาอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยปรุงก็ปุงขึ้นที่จิตมาปุงขึ้นที่อื่นตามเข้าไปโดยลําดับลําดับนี่คือค้นดูเรื่องของจิต จนกระทั่งทราบว่าจิตนี้ได้ขาดกับสิ่งใดแล้วและยังอันใดที่มีความสัมผัสมีความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นอยู่เวลานี้จิตก็ตามเชื้ อ, อ น, นี้เข้าไปพิเรศก็แคบขึ้นเพราะ ตัดสาพานหมกที่จะไปสื่อต่อกับตูก้กับเสียงกับกลิ่นกับลดเครื่องสััสทั่วโลกอินแดนยหายสงสัยไปหมดเท่าเหมือนกับโลกไม่มีเหลือแต่ความรู้ที่ปตุ้มอยู่ยิบยับยิบยัอยู่ภายในิดนี่ตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นโดนกวนกไวนกว์ก็มีอยู่ที่นี่แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นมานั้น ไม่เป็นที่พึงพอใจทุกระยะไปเรียกว่ามีแต่ความทุกข์ซึ่งโลกไม่ต้องการทั้งนั้นเราเองก็แบกกองทุกแต่หาทางออกไม่ได้เพราะไม่ทราบเงื่อนแก่เงื่อนไขกันเฮียพอทราบแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีมันก็ยิ่งเห็นชัดที่จิตแสดงเป็นตัวละครเป็นตัวเรื่องตัวราวอยู่ภายในตัวเองที่หาที่ยึดที่เกาะอะไรไม่ได้แต่ก็แสดงอยู่ภายในตัวเพราะเหตุอะไรจริงไม่ยึดไม่เกาะก็เพราะเข้าใจแล้วจะไปยึดไปเกาะอะ เลือมันก็มีแต่ยุ่ยยักยุยักอยูอย่ภ า, ายในจิตมียิ่งเห็นได้ชัดกำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุ้ยเฉียบขุดค้นด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณะนไม่ว่าทุกเอียบทดแล้วถึงกลายเป็นทุกขณะที่จิตกระเพื่องตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่องรู้ทั้งขณะที่ดับไป เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากขณะที่ปรุงที่แต่งทั้งคันหมายเลยไม่มีเพราะตามทันพะกระเพื่อมก็รู้รู้แล้วดับเรื่องราวไม่เกิดเกิดขึ้นมาขณะนั้นดับดับดับไม่แต่กลินแต่ก้านออกไปไหนเพราะตัดสะพานหมดแล้วเรื่องภาย น, นอกด้วยปัญญาต่อไปก็เมื่อสติปัญญาได้คุ้นคว้าอยู่ อย่างไม่ลดละท้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นไทยสิ่งที่กอ่อให้กอ่อกําเนิดเกิดเป็นจัตเป็นบุคคลท่องเถียนในวะตฏสงสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนเวลานี้มีอย่างว่าคุ้ยเขียขุดค้นลงไปด้วยปัญญาก็ไม่พ้นที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุอันสําคัญที่ก่อกองทุกข์ให้สัมโลก เรื่องกเกล็ที่แทรกอยู่ภายในจิตอันอย่างลึกลัำนั่นแหละที่นี้เปิดเผยตัวขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีที่หลบซ่อนรูปเสียงกงลิ่นรสเรื่อนสัมผัสซึ่งเป็นที่หลบซ่อนแต่ก่อนไม่มีได้ตัดสะพานหมดแล้วก็มาหลบซ่อนอยู่ที่จิตเท่านั้นเองถือจิตเป็นที่หลบซ่อนคน้นคว้าลงไปที่จิตจนแหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วไปที่เคยได้พิจารณาโดยทางปัญญาอันนี้ก็พิจารณาแบบนั้นเหมือนกัน สุดท้ายกิเลก็แตกกระจายออกจา ก, กตัวหมดทีนี้เราจะไม่ทราบได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดในภพนั้นภพนี้จะเกิดที่ไหนมัง่งมันเกิดที่ไหนบ้างไม่สําคัญสําคัญแต่ตัวนี้เป็นตัวเกิดอย่างแน่นอนแล้วบัดนี้ได้ทําลายความเกิดซึ่งเป็นเชื้อสําคัญอยู่ภายในจิจนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอันใดที่จะต่อกันต่อไปแล้วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทราบได้อย่างชัดเจนภายในจิตนี่แหละที่ว่าโลกหน้ามีไหมหรือไม่ตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็คือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิด <c ười> เคยต <c ười> ายซ้ำๆซากๆมาหยุดไมถอยจนไม่สามารถจําเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลําบากของตนในพบน้อยพพใหญ่ได้คือตัวนี้ทีนี้ตรมวล เข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่จิต ด, ดวงเดียวรวมกันที่นี่ทําลายกันที่นี่พอทําลายกันเสร็จเส้นหึงไปโดยมีเหลือแล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความลาบากอันเป็นสาเหตุมาจากความเกิดความตายนี้ไม่มีเนี่ยรู้เดยอย่างชัดๆัดใเรื่องว่าโลกหน้ามีไหม ม, มันก็หมดปัญหาโลกที่เคยผ่านมาแล้วก็ละมาแล้วโลกหน้าที่จะไปข้างหน้าก็ตัดสะพานไว้ลแล้วไปไม่ได้ขาดก็เด็นลงไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่า ไม่มีอนไรเหลืออยู่ภายในจิตนั่นเลยขึ้นชื่อว่าสมมติแม่ละเอียดนี่เป็นจิตที่หมดปัญหาแก้ปัญหาของจิตแก้แก้ที่ตรงนี้เมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับโลกจะ ก, กว้างแสนกว้างขนาดไหนจีจักรวาลก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องอันหนึ่งต่างหากของเขาเรื่องสำคัญที่ทำความกระทบกระเทือนแก่ตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละ จกนกระทั่งปัจจุบันและจะเป็นไปทั้งหน้าก็คือเรื่องของจิตตัวมีภัยฝังจมอยู่ภายในตัวเองนี้เท่านั้นเมื่อแก้ภัยอันนี้ออกพิษออกนี้ออกหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภยัยเรื่องโลกหน้านโลกหลังจะมีหรือไม่มีมันหมดความสนใจที่จะไปคิดเพราะทราบแล้วว่าตัวนี้หมดปัญหาที่จะไปก่อนในโลกไหนอยู่แล้วน นี่การเรียนการแก้ปัญหาตัวเองแก้ลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็แก้ที่ตรงนี้สาวกอรหัาานท่านแก้ที่ตรงนี้รู้กันที่ตรงนี้ตัดได้ขาดโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ได้ประกาศองค์ศ า, ส, าสดาขึ้นมาว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากทุกหรือเป็นศาสตาเอกของโลกก็ประกาศขึ้นมาจากความหมดเรื่องอันนี้เองการเรียนโลกจบก็เรียนจบที่จิตโลกคือมูสัตว์สัตตะแปลว่าผู้คล้องคล้องอยู่ที่จิต ตัดขาดกันตรงนี้เรียนรู้กันที่นี่นหาวกอาร่าหัสหันก็เรียนรู้กันที่อย่างเต็มใจหมดปัญหาท่านเหล่านี้เป็นผู้แก้ปัญหาตกอย่างไม่มีสิ่งใดเหนือหรอเลยพวกเราเป็นผู้รับเหมาในกองทุกขเป็นผู้รับเหมาในปัญหาแต่ไม่ยอมแก้ปัญหามีแต่กวาดต้อนเข้ามารับอยู่ตลอดเวลาความทุกข์จึงเต็มที่ที่หัวใจ อะไรๆก็ไม่เท่าเพราะไม่หนักเท่าหัวใจที่แบกกองทุกแบกบอยู่ที่หัวใจเพราะเรียนไม่จบแบกบแต่ทุกเพราะความรุ่มความหลงเมื่อวิชาคือความรู้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทําลายสิ่งที่เป็นภายในทั้งหมดออกจากจิตใจชื่อว่าเป็นผู้เรียนจบแล้วคําว่าตราภพกามาภพรูภ พ, พข้อหมดมันอยู่ที่ใจกามาภพก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นรูภพ อรู้ว่าพบก็สมมุติถึงนั้นๆอยู่ในสามพบนี้ฝังอยู่ภ า, า ย, ยในจิตใจเมื่อใจได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกหมดก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่แก้ปัญหาแก้ที่ตรงนี้โลกนี้โล ก, นโลกหน้าอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่จะก้าวไปโลกไหนๆก็คือผู้นี้จะก้าวไปรับทุกข์มากน้อยก็คือผู้นี้คือตัวโคงจักรที่มีอยู่ภ า, ายในจิตใจไม่มีอยู่ในที่อื่นใด พระพเจ้ทาท่านสื่สอนลงที่จุดถูกต้องเหมาะสมที่สุดคือใจอันเป็นตัวการสาคัญสิ่งที่กรามาเหล่านี้มีอยู่กับใครถ้ามันมีอยู่กับเรา ท, ทุกคนกคนแล้วการแก้ถ้ามาแก้ตรงนี้เราไปแก้ที่ไหนกันเราจำเป็นเราจะต้องไปถามโลกไห น, ไหนผู้ที่จะไปสู่โลกสู่กองฟ้นกอ ง, กองไฟก็คือใจตรงนี้ ถ้ามาแก้คงนี้ก็ไม่พ้นที่จะไปโดนกองไฟคือความทุกร้อนถ้าแก้คงนี้แล้วก็ไม่มีปัญหากอไฟอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาเมื่อรักษาตัวได้แล้วนี่มันก็มีเท่านั้นนี่เป็นโรคที่หนักมากสำหรับมวลสัรโรคทั้งหลายไม่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ามากจะขึ้นคงนี้ มาตายแล้วเปิดลรือตายแล้วสูญโลกหน้ามีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมวันนี้ก็ถามม่านรกสวรรค์มีไหมแล้วก็ขี้เกียจจะตอบพระพุทธเจจะตอบอะไรพอผู้แบบนรกสวรรค์ก็คือหัวใจก็คือมีอยู่กับทุกคนแล้วจะตอบไปให้เสียเวลามีเวลาทำไมแก่ตัวตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์นี่สิแก่เหตุหรือบำรุงเหตุ ในทางที่ดีแก้เหตุในทางที่ชัว่วเสียความทุกข์มันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกจุดแล้วมันจะผิดไงไหนเพราะสอค้าทําสอนให้แก่ที่ถูกที่จุดไม่มีผิดเนี่ยธมะนิยา น, นิก็ะําก็นําผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอํานาจแห่งความโลมหลงด้วยส่อค้าธรรมนั้นอยู่แล้ว แก่ที่ตรงไหนถ้าไม่แก้ที่ปิดปัญหาอันเหญ่ตโตก็มีอยู่ที่ปิดที่ท่านั้นความรู้อันนี้แหละหยาบก็คือความรู้อันนี้ละเอียดก็คือความรู้อันนี้ทําให้คนหยาบทําให้คนละเอียดก็คือความรู้อันนี้เพราะที่ละเอียดเป็นเครื่องหนุนหลังทําให้ละเอียดก็เพราะความดีเป็นเครื่องโน้ม ละเอียดไปจนระทั่งสุดละเอียดแล้วก็สุดสมติยุติลงด้วยความพ้นทุกข์ไม่มีเชื้อสื่งต่ออีกต่อไปมันก็มีอยู่ปัญหาที่เขาถามว่มะการแก้วความขี้เกียจจะแก้วิธีไหนนะถ้าจะเอาความขี้เกียจไปแก้วความขี้เกียจเนี่ยมันก็เหมือนคนนั้นตายนั่นเ ความขี้เกียจมันอ่อนไปหมดมันเหมือนคนจะตายอยู่แล้วจะเอาความขี้เกียจไปแก้ฮะนอนซะดีนะั่นมันก็ตายแล้วนะั่นตายอยู่บนหมอนหรือว่าตื่นแล้วก็ไม่ยอมลุกเพราะความขี้เกียจมันเหยียบย่ําทำลายมันบังคับไว้ให้ลุกนี่นั่นถ้าเอาความขี้เกียจไปแก้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเอาความขยันหมั่นเพียรเข้าไปแก้ก็ลูกปุปป๊บปั๊บขึ้นมาสู้กันการที่มีการต่อสู้มันก็ต้องมีหวังชนะจนได้ ถ้ายอมมอบราบไปเลยมันก็มีแต่แพ้ท่าเดียวหรือจะเรียกว่าแพ้หรืออะไรก็ไม่ทราบก็ไม่มีทางต่อสู้จะว่าแพ้อะไรได้ถ้ามีทางต่อสู้สู้เขาไมาได้ก็พอจะว่าแพ้คนนี้แพ้คนนั้นชนะแต่นี่หาทางต่อสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางต่อสู้ไม่ต่อสู้เลยไม่สนใจต่อสู้เลยยอมราบเอาอย่างเดียวยจะว่าไงถ้าไม่ว่าบ่อยกลางเงอนของกิเลสจะว่าอะไรมันก็บ่อยนั่นแหละ จะเอานี้ไปแก้ที่เลสมันก็เป็นเสริมกิเลสใช่ไห ม, มันเต็มหัวใจแล้วจะเสริมให้มันมากอะไรอีกจะไปไว้ที่ตรงไหนใจก็มีดวงเดียวนอกจากจะแก้มันออกด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามโดยทางเหตุทางผลเราคิดรอบแล้วยากลําบากเราก็สู้เหมือนยังถอดหัวน้ําออกจากเท้าของเราเจ็บก็ต้องทนถอดถ้าจะเราจะยอมให้มันปักจกมอยู่นั้นมันก็จะเน่าเฟะไปหมด ทั้งเท้าแล้วไปไม่ได้เลยเสียจนกรทั้งเท้าไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุผลมีอยู่อย่างเดียวว่าต้องถอนมันออกให้ได้เจ็บขนาดไหนต้องยอมถอนต้องทนนี่เหตุผลพุกก็ต้องยอมรับเมื่อถอนหัวน้าออกแล้วมันก็หมดพิษชายยางไปมันก็หายไม่มีทางกำเริบอีกต่อไปเหมือนกับที่หัวหนามยังจมอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้ก่เลกก็คือหัวน้าเราดีๆนี่เอง แล้วจะย่อมันอยู่ตลอดเวลามันก็ฝังจมนั่นน่ะเน่าเฟะอยู่ในวัฏฏ์ต่างสาเนี่ต่ว่ า, งาไงเราต้องการหรือว่าเป็นคนเน่าเฟะทำไมต้องการสู้ที่นี่ไมต้องการก็สู้เมื่อสู้แล้วต้องมีทางชนะก็ได้ถึงจะแพ้มาขีดขั้งก็าตามมีทางชนะในขั้งหนึ่งก็ได้ พอชนะครั้งนี้ต่อไปก็ชนะเรื่อยๆและชนะชนะชนะชนะเรื่อยไปเลยจนกระทั่ทงไม่มีอะไรจะมาให้เราต่อสู้มันหมดประตูสู้เลาชนะชนะอะไรชนะความที่เกียจ ด, ด้วยความขยันแับก็พ้นจากทุกข์นี่แหละการแก้ปัญหาเรื่องความเกิดตายมีแก้ที่ดวงใจ มีจุดนี้เท่านั้นเป็นจุดที่ควรแก้ที่จุดเป็นจุดที่เหมาะสมอย่างยิง่งเป็นจุดที่ถูกต้องในการแก้แก้ที่ตรงนี้แก้ที่อื่นไม่ไม่มีทางแต่สําคัญตั้งหมายไปตั้งกับตั้งกันก็แบกปัญหาปาเกิดภาตาพ า, าทุกพารำบากนั้นล่ละบาปทุกนี้ไม่มีบาปบุญนี้นี้ก็เสะเวยกันอยู่ทุกคนเนี่ยคว่าบาปก็คือความเศร้าหมองความทุกข์เนี่ยคําว่าบุญก็คือความสุข ว่าไมันจะมีอยู่ในหัวใจในการทุกคนทุกคนแล้วปฏิเสธกันไปไหนนั่นเป็นชื่อว่าบาเชื่อบุญแนะชื่อความสุขนั่นแหละถ้านให้ชื่อว่าบุญความทุกขนั่นแหละชื่ออะไรชื่อว่าบาปผลของบาปผลของความชั่วนั่นก็มีอยู่ด้วยกันแล้วจะไปหาที่ไหนอีกนรกด้วยไมหมนรกก็ตามเธอถ้ามันทุกข์เราอยู่เต็มหัวใจแล้วใครอยากจะมาเกิดนี่มันรู้อยู่อย่างนี้จะไป ถามถึงหนึ่งในโลกนะั้นเรีกที่ไหนอีกมันเผาอยู่ที่ตรงไหนมันก็ร้อนเช่นอย่า ง, งไฟขี้เราเนี่ยขี้เขาตงไหนก็ขกี้เขาีิมันต้องร้อนเหมือนกันหมดแต่ว่าในาโลกหรือไม่ในาโลกก็ตามใครก็ไม่ต้องการเพราะความทุกข์อันนี้รู้อยู่กับตัวเพียงไฟขี้ก็ยังรู้แล้วแล้วจะไปหานรกที่ไหนอีกให้ร้อนยิ่งกว่าไฟนี้แน่ความสุกขก็รู้อยู่กับตัวไปหาสวรรค์ที่ไหนให้มันเจอเถอะหนะเจอความสุกข ซึเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแต่พ่อยังยิ่งความสุขทางใจนับตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นไปเดิมหนักจนกระทั่งตั้งหลักตั้งฐานทองจิตได้แน่นหนามันคงภารกิจใจแน่ใจให้ตัวเองอยิ่งกว่านั้นเอาให้หลุดพ้นไปแต่ไปถามหาที่ไหนสวนนามีผ่านไม่จําเป็นต้องถามเรารู้อยู่กับจของเราเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วเห็ น, นชัดๆครองกันอยู่แล้วเวลานี้แต่ไปหาที่ไหนอีกชื่องมงที่ไหนเงา ได้ตัวแล้วก็อยู่กับตัวเฮ้มีเท่านั้นพาะมิงกรเจ้านมาจะหลอกคนให้ยูกนั่นคำนีน้เอาตัวจริงที่ตรงนี้สาระการจะเป็นคำเห็นมาสเคือ